นั่นน่ะมันไม่ขี่ขานทะเลกับผ้ามันส่วนไหลมันคิดไปทั้งเรื่อมันมาจากฟังผ้ามันคุ้มมันเงินใ่ไหมเอาชนะมันได้เอาคว้มขีดเกียดคุ้มทะเลทะไล่มันเอายากได้แล้วพกันบอกฟังก็ควรจะบอกไปฟังเอไหลมีแต่ฟังอย่เดียวบิเว็รกับื้ผ่านไปคือฟังวิทยุ มันมวลฟั่งว่ารัมในพระเหตุมวนฟั่งทีิยุกเด็กฟั่งทิยุกอันเวลาเพื่อนกับเพื่อนเวลาถ้าถึงใจกับเพื่อนเวลาถ่าถึงใจกับโศกเศร้าไปก็เลยเป็นบ้าไปนี่มีทยุกไปนั่นบงหนังคือกันเวลาเขาเล่นกับหัวกับหัวของเขาเวลาเขาทุกกับทุกข์ขอเขาเป็นบ้าไปนั่งเป็นบ้าไปนั่งร่ลอมนั่งเป็นมัอไม่แน่นั่นฟั่งไปคิดไปอ่านไปแก้ไขเจ้าของ นั่นเองเขาแก้ไขเจ้าของไม่มีผู้ใดแก่หรอก่อีกกี่เกิดอีกี่กัดกีกันม่ีผู้ใดแก่ให้รอกมิเปรนบอกให้ครูบาอาจารย์เพื่ได้น้ำทั้งสอนให้เท่านั้นะอันอื่นเพ่นแก้วให้เ่ขึ้นคือขื้กันก็กินเขาไผกินกับไผยิมไผ่นินกือเจ้าเจ้ไผ่กินกันแท่นกันก็เ่อใ้ครูบาอาจารย์แท่นเมื่อลูกศิษย์ก็แท่นเมื่อใดหัวเมียแท่นกันเื่อดยนจิตถ้ำขึกันบุญขื้กัน แท่นกันบัไใดเวลาไปต๊ะนรกแท่นกันบัไใดต่างคนต่างตกภัยเหตุหลายกับต๊หลายแล้วผู้เหตุเกิดกัต๊ะหน่ขึ้นก้อนผู้ใดบัเหตุเท่าไกขึ้นเ ล, ลื่ะสบายมีผู้เรื่องสั่งชีวิตแต่ฟังแต่สัางชีวิตกับไปบวชหล่อนผ้ากระลื้อพื้นเพิ่มคิดแต่เป็นมาแต่เก่าด้วยแต่มาผู้จะฟังมาคิดมาบางีีผู้สอนพวกบริเลียนคดียัง กเกษียอย่างหนึง่งพวกเลี่ยนก็ดีอย่างหนึง่งเกษียดอย่างหนึง่งเลี่ยนมาแล้วมิเตี่ยควมผิดเหตุอะไรผมมาปรปับปรุงยังฉลาดแต่ว่าฉลาดแบบทำลายเจ้าของทํายผู้อื่นนั่นแหลนี่มั น, ม, นมันไปคนละอย่างพวกนีง้โง่บ่ดได้คิดเดี๋ยวนี้ยังควบเสีหายจะเป็นมาที่ไดนบคิดบ้านพวกนั้นคิดวคดวบเสีหาก็คิดได้ซึกงซาก็ซึ่งได้เหตุผลกด็ดีแต่บเห็ุเอาตามอำนาจทุกิเลย ก็เลยเป็นเครื่องมือสูงบันพอามนาของกิเลสไปได้ลิบเลยเครื่องมือเครื่องประกอบถึงมาขาดถ้ำยังดิวขาดถ้ำประกอบพอไปแม่นรนดวันคนเลี่ยนสูงกับประโยชน์แก้โลคเยอะมหาสาหิบ่นถ้าไปทั้งชั่วกับทาลายประเทศชาติทาลายเจ้าของกันเยอะบันน่ะนงโงนี่บันทาลายเจ้าของเยอะ ก, กันเบอเฮ็ดกับบอรดอ้วมกับเอ้ว เขาควมููค่วมแข็ด บ, บริการทึกษาเมื่อสรุนแล้วก็บโลกกะตามชลาดกระตามถ้าขาดท่ำหรือเท็ดเท็ดเลยขาบขันตีท่ำค่วมอด ท, ทนตระเหตุการณ์เมียงทุกอย่างือขาดขันตีท่ำมีกัไม่จะ ก, กี่ปีเพอเริ่มเริ่มบอกไว้พ่องแนกก็เริ่ม มันปีกายปีนี่ว่าฟั่งไปร้ายแง่ร้ายมุ่งพะวาไหวไห้ไหวบุดแต่วบวดมากกพ่อสมควนกับผมเนเก่งแต่ศึกษากับนักป่ามากกับพ่อสมควนทานดื่มข้อมจะเลิศทั้งทุกอย่างลำบากกพ่อสมค้วรตามานาเจ้าของก็อนี้มาบอกฝั่งว่าเทียบเคี่ยงควอมทำที่ว่ามันเลวหลายเอยแหล ะ, ลหละหฟัง่งโกงเป็นดูถูกเทียบฝั่งมันมันไม่ได้ประโยชน์เท่นเท่นอยัง จึงบอกคิดควบมสอหางสุณนี่คิดสี่เป็นประโยชน์ผู้เลี้ยงมากผู้เขลี้ยงมากอะไต่างจึงบอกมันพอจนมันถึงจนไปบนว่าึงได้ว่าเน้นหนักคุณเช่านี่ก็บอกจนมันถึงจนว่าต้องไปถามผู้อื่นประเทศนี่จนเรื่อยไปโมมี่ประเทศบุญก็เอาเตซื้อบุญไปใส่เตสือมันเป็นเห็ุบุญส่วนมากเห็ุไล่สาระ คนกินมันไหลสาระมันก็ได้ดแต่ขันนั้นคนกินไหลสาระหลายๆร่วมกันก็เลยไห่สลระไปทั้งบา้านทั้งเมืองวัดเราบุญไปใส่ทราบ่ ะ, ะบุญบังไฟที่จริงจูดมือเล่นซื้อๆก็เล่นบังไฟมันก็หมดเรื่องไปนี่กค่อยบอกฟังอันนี้เกิเรื่องไห่สาระแต่คนอยู่ในโลกแกต้องมักแกต้องเล่นแต้องหาวิธีเย็นใจที่นี้เอาเลน่นเวลาเลน่นก็เลน่นซะแต่คิดทิ้งซก็ได้เวลาเห็ุจริงก็เห็ุจรินซะนี่เลน่นก็เลน่เลนบ่นนมีเรื่องจิน บ่มีเรื่งมีสาระประโยชน์กับตนเองกับผู้อื่นบ่มีควมจิ้ใจก็ระวังขอบขัวบ่มีควมจิ้มใจระวังกันบ่มีควมจิ้ใจเกี่ยวของมากนบบ่มีควมจิ้ใจเละแหละอุยปุนี่มันผิดวันนี้บ่แก่เะเขื่อบ่แกย้ำใคือเก่าเหรเอาเปิมาอีกคือเก่าเนี่ยบ่แกบุญพระเวเกิดจงสี่แ่ะตีหัวกันดูเกี่ยเรื่องไร้สาระบ่เป็นบุญบุญบ่เคยสอนอะไรสาระเพืนจะเอาบุญไปใส่ นี่แอบบุญกินเขาบอกภาษามันเจ็บเจ็บแอบบุญกิมคำก็ได้อบุญใส่ข้นเฉพาะจะจาหาเงินเล้แอบเข็นตักบาตรเ ท, ทโวโลหนะะอันนั้นเป็นจําไม่ดีเพราะมันดูถูกเป็นลักวิชาการการหาเงินของหัวพอค่ะเหตุเราก็เห็นแต่ห น, นหน่อยพุ่นเหตุบกุกห่างไปสูงสูงพนขึ้นไปตักบาตรสวรรค์ขึ้นบันไดจะขันล่องทุกงพุ่นไดใจอุบายเก่งหาเงินเป็นอุบายหาเงิน มัน่มันเป็นมันเป็นม่นเป็นตักบายหนึ่งเป็นอุบายหาเงินหอย่างไรเงินหลายสิบสิบบุญม่นเป็นอุบายม่นเป็นเรื่องหลอกล่อม่นเป็นเรื่องตุ่มต้นม่นมีเล่มีเดียมเกิดจากธรรมชาติคือควอมิจิมใจเช่นอ่าธรรมชาติมมีทุกคนยกตัวอย่างค้อมิอินดุสงสารนี่เป็นธรรมชาติหนึ่งเลยเช่นจะช่วยคนทุกสิบเมธวยววิธีนั้นอะไรก็ตามเอาคนขึ้นจากน้ามือสิ อินูงชงสารอย่ามันตาย้ํามกระดึงขึ้นมากนี่เป็นธรรมชาติอันนี้มันก็เป็นบุญพอดึงขึ้นมากโฟนกับพนความตายหรือความอับผับเวลานั่นไปเสียต่อไปนเนตให้เอาชีวิตไปรอดได้ก็คือให้ความสุขผู้อื่นความสุขหนึ่งกับต ก, ตกมาจากของคือเก่าเป็นก่นี่เป็นดีไฟบุญคือกันเห็นชิงบุญนเป็นประโยชน์ทาลงไปแล้วมันเป็นประโยชน์ทั้งคนทั้งสัว ให้ด้วยความเชือ่อความหลงใยอนึงให้ด้วยความเป็ดูสงสารนึงคนแยกออกไปให้ด้วยกันอนุทธรณ์สงเคราะห์ตามพื้นฐานของบุญคนแยกไว้ละเอียดมากทีดเดี่ยวเรื่องบุญบุญทั้งหดัดให้แล้วบ่มีกันขอเคียงตบแทนในด้ดจริงได้ดับ่มีเพื่อประโยชน์ให้ด้วยความชอบใายฉพาะบ่หลอกบ่หลอกบ่บบบมันคือศาสนาคิดตัวคิดสีหาหลอกวิธีบ่มีผู้เจ้าบ่มีบ่หลอกหลอก อย่างจะคุ ณ, คณบุบัเรื่องอ่านอ่านหนึ่คุณบุบัเรื่อพิณบอกโอ้พิณบอกเรื่องพุทธประวัติม่นเป็นศาสนาแบบมาพระเจา้าช่วยมาช่วยยิง่งสันพระเจา้าวิเศษวิโสยิ่งสันพิณมาไปจะคุ้นุบัเรื่ออธิบายไว้ได้ประวัติพิว่าไปบางันขึ้นจีนบ่อยอย่างเตาเต่าจริงพระเจา้าเต่าอย่างบ่งมันยังสั่พพูดได้เจา้าเนี่ย เป็นผู้รู้เองเห็นเองตักธนูชอบเองมีทั้งพอมีทั้งแแมอุดมสมบูรณ์ด้วยกระสักพอกับมีแม่ก็มีพ่อเสื้อจงใจชุดทัศนะแม่ซื้อนั่งิริมหามายาพันลยาก็มีลูกก็คือล่าหุน่นนี่สมบูรณ์แล้วรู้เองเห็นเองเมื่งผู้เรกประกาศนยุคไหนกระต่างหรเล่าเล่านี่แหละเป็นาศาสนาอีกเป็นผู้รู้เองเห็นเองโดยเฉพาะลู้อริยสัจควบกิน อ, อมตะประกาศท่าท่าเห็นทุกาศ า, านสาศนาได้บริดูรณแค่ศาสนาใด บ่เยียบยำศาสนา ใ, นใดๆเป็นศาสนาหนึ่งพูดโดยความจริ้มแสดงด้วยความจริ้มองค์อาจกล้าการและนั่ไปทีบัติจะเป็นจริงอย่างนั่นด้วยบ่มีขอบกพร่องบ่มีเหล่มีเรียมบ่มีมาแยบบ่มีหลอกบ่ครึ่งห้าหลอกกันที่เอาบุญไปหลอกหมดคนที่ตายก็เลยเบื่อบุนบ่ได้วิธีหนึ่งเกิดเอาซ่องซะบุญยังเป็นขันตำยังเป็นขันบีหรือขันวิธีรักกานเป็นวิธีการหาเป็นอยู่ในขัน ตำ่ำอย่เมื่อคันสูงคันสูงคือเป็นธรรมชาติของคนต น, นเองฉลาดเห็นคูบาอาจารย์มีความเชื่อพ้นลำพสงญาติได้บุญคิดขึ้นมากคือความฉลาดเป็นกุศลกุศลกุศลจิตนั่นเต็มธรรมชาติเต็มไปด้วยกุศลคือความฉลาดเมื่อทํำลงไปจะถูกต้องกับผู้คนฉลาดผู้คนพ้นเพียงกิเลสออกจากหัวใจโดยอันนี้สงฆ์มหาศาลนั่นมีจังว่า คนจึงจัดไปว่าขันตำบังขันกลางบังขันถุงบังเพราะอะไรเพราะสติปัญญาเพราะความงูความเรียนลำตำสูงเรียความฉลาดต่างกันการหาสมบัติอยู่ในโลกนี้ก็มีอยู่สามมิติกันทุกยางขนาดกลางและกลุ้ยที่สุดนะมีอยู่สิ่ตนใหม่จะมีอยู่สูงสุดขนาดกลางตำสุดมีอยู่สิ่ตนใหม่มีเปลือกมีกัมพีมีแกนทา้งศาสนาก็มีศีลสมาธิปัญญา สามมีอย่สิทั้งเข้ากมีกายว่าจาใจนะสามเนี่ยพ้นแยกแยกแย ก, แยกไว้จริงจริจริง จ, ง จ, งจงเป็นธรรมชาติพวบจริงจริงแต่หูจะบควบจริงของของบุญผูดสิหูจับควบจริงของบุญจึงจะมานั่ประกาศศาสนาเลยบ่เป็นได้เ ป, ปล่าๆองประกาศประกาศกระพาด ท, ทั้งประเทศพูดที่ทราบกันหลอกทั้งคนหลอกทั้งโตพอยง่ายกับตาบอดจูงตาบอดแล้วจูงไปแต่มีได้ต่ํา ปาตําเสียงต๊ะเจ้าคืโต๊ะเขีวเหมือนเดิมันบควกลุ่มแลว้วบวกลุไปอวดดีไปประกาศบ่เป็นสมาธิก็ว่าเป็นสมาธิว่าเป็นศีลก็ว่าเป็นศีนว่าบวบริสุทธิ์ก็ว่าตัวเองบริสุทธิ์มันมิตรเรื่องเหลวสาระถ้าเป็นคนอื่นเสียหายมากมหมตัวเองมืดไปอีหอ่างตัตวตโนภ ร, รายตินมืดมาแล้วก็มืดไปมิตรมืดกับมุดบนสว่างเพิ่งว่าไว้ดี อา้าวเห็นภาวน่าพระยโฮวาห์หรืออย่างนั้นเอา้าวลักษาะาี่เห็นมันสะอาดจักยางน่อยประมาณจากนี้ยางหน่อยยี่สิบปีทิ้นไปหายคิดเนี่ยมันเป็นสรรมาธิยังกระตมพระยามปรปับปรุงใจตัวเองให้เป็นพิ้นบริสุทธิ์ขึ้นมากขณะนี้ม่องแล้วม่องอะไรละยี่สิบปีผ่านไปมองเลยกลับเห็นสี่นสุกติมเย็นติสีเลนโปก็ตั้มประทาเห็นอานาจของการลักษณะทิ้นมาเลยชัดเจน ความสุขในอยู่ในการประพฤติชิ้นถ้ำนเพือเผือพมาจันยร์เหนือเลยองค์อาจกล้าหาญได้สิมันจะเห็นในงานยี่สิบปีมีห ม, ม า, มปปายออถึงว่าพวกมีกุศรในสอ่อนถ้าผู้ที่สแก่กล้าปั๊บจิตต้องถึงกระแสได้เป็นโลกปโสนระบันวัตถะเชื่อกรรมแนะเชื่อผลของกรรมใช้จิวลากรุนุกบดต่อให้อีกสามแ ด, โดนโลกกระฐานมาห ล, ง ล, งลงักเอาสมบัติกองตะคิดหอดฝ่ามาหลอะก็ให้ โกหกเพ็รประดลัดอันนั่นเป็นธรรมชาติถึงขังรร้วจิ่นเองทั้จึงว่าย่างตำพื้นเบาไว้หนักป่าพื้นกาวไว้เห้องยิ่งจากหน้าป่าพื้นกาวไว้เกศาต์บงังเอกพิสี่ศาส์หนึ่งหรือสองศาส์บงังกับปัญญิพานเนึ่ยย่างตำของเกศศาส์เมื่อเกิดอีกเป็นผู้แน่นอนจั บ, บ่อตกนรกอีกจับบเป็นคนอาบพับมุมีเลยมันจึงหนายใหญ่กว่า ม, มีเงินมีท่องของเต็มฝา ข้อนบ่ออาภัพเป็นยังไงหนุนขนาดในยสติปัญญาข้ บ, บ่ออาภัพควบบูรณมสมบูรณ์ด้วยสุขภาพร่างกายก้อบ่ออาภับควบมีโลกหน่อยก็เป็นคนโลกหน่อยจริงดิและเป็นที่แน่นอนคิดใจจะบ่มมีควมอาภัพไอ้ทุกจะบ่กทับผมให้เจ้าของได้รับความลําบากจนเกินขอบเขต จ, จะบม่มมีอันนี้ทับเอาใช้จนติง่งก็ได้เจแต่บ่มมีเงินแก่ทักที่แก่ผลชื่ไทยบ่มมีทางไปหม โดดเที่ยนตายซะผูกข้อตายซะแขถงเพิ่มเข้าไปหาล่อยสัขาดของตายนี่แหละจิตมันหมดทางไปกลับมาข่ายของเองนี่คนจะเป็นในลักษนีมากเวลานี้กลับมาข่ายของเองเพราะบ่มีทางไปหัวซนนี่แหละงูคนงูยิ่งอะไรท้จริงแถมงโงูคนะบ่มีนักปราชญ์สอนคนจึงหามบั อีกอย่างนงก็คิดมากถึงเป็นเสียประสาทมันมีพอคิดมากลักษณะมันมีถ้ำเป็นเครื่องเป็นน้าเชื่อมจิดจะต้องไหลไป็นที่ตั้งดีเดินนาเดียวจึงสามารถเป็นโลกภระาได้คนมีถ้ำจับพอเดินนาเดียวคิดปุบ๊บย้อนหนา้าย้อนหลังมองหนา้ามองหลังที่ว่าย้อนหนา้าย้อนหลังกลับไปกลับมาคิดควรไข้ขั้วหนึ่นหร ก, กลับไปกลับมา แล้วคิดแล้วคิดเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทั้งทั้งหน้าทั้งตั้งหลังทั้งเหตุทั้งผลอันนี้มีส่วนลดจริอันนี้มันเดินหน้าเดียวเลยก็ประโยคภาษาเสียหายหมดเรียนสูงเรียนต่ำไม่เกี่ยวทำจึงเป็นเรื่องรั้มพันสําหรับจิตใจอย่ามองข้ามไปความรู้วิชายกไว้กรณีพิเศษที่ศึกษามาั้งสูงถ้ามองข้ามทํำรสเสร็จ เราก็เทียบให้ฟังแล้วเอา้าถ้าทุกวันนี้สมมติว่าคนเรียนจบตูงสูงมันมากเท่าไหร่เกือบล้นแผ่ดินบัณฑิตนอกโลกก็ต้องเย็นละสิอันนี้มันไม่เย็นนี่เพราะมันขาดทำร้อนทั้งร้อนน่ะมีแต่ไฟมาอะไรกันยังยังพากันเอกันเชื่ลืมหลักนักป่าไปนี่แหละหักกรตายตื่นมาตูมหนอ่อยถ้าไม่มีราชสีสแตนน่ะท่านพูดนิทานไปเดี่ยนี้เป็นกระต่ายตื่นมาตูมเฮต่คว่ำลูกายนอก เรียนจบจะบินจบกันมาเจอะทำท่ามีความสุขไม่มีมท่าผมจะท่ากับพังทั้งเพลงไม่มีธัรมลืมหลักนักปราชไปขาดนิดสัยที่ดีดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศนั่นอันนี้ยืนยันเลยเลื่องปกครองชีวิตดีไม่มีโทษฉะนั้นพอแล้วมีจิตเหตุหมายบ้านเมืองทําไปเถอดสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีเลิศนะ่ะ ชื่อวันดีเลยคำเดียวเท่านั้นนักป่าเป็นผู้จมปราชพระแม่เป็นจันมันผูน้นี่เป็นจำปราชคือเพระแม่เป็นจันมันท่านพูดนี่เราจำของท่านมาเอามาคิดแล้วคิดถึงวันตายก็ไม่มีที่แย่ถ้าคนมีธรรมกันจัด น, นอกจากกิเลสหัวสนขวาดักไปเลยไม่สนใจถึงจะ ก, กระวลอยู่ในหูเต็มหัวใจก็ไม่สนใจดีอะไรที่ไม่มีโทษไม่สนใจทำตลอดไม่สนใจอันนี้มืดตลอดแก้ไม่ได้ แก้ไม่ได้ประเภทนี้แก้ไม่ได้ตัณตมตมา ร, รายโนยมืดแล้วก็มืดไปใครจะมาแก้กี่เท่าไรก็แก้ไม่ได้แก้ใคไม่ได้ท่านจิมเรียกออกพวกเราข้าพเกันคิดกันอ่านเรียกประเภทคนดีและมีนิสัยดีมาชมมาปกครองสมบัติหรือมาปเป็นครูเป็นอาจารย์เรียกออกมาดสิผิดพระนิจออกม า, ามากๆดูสิโลกเย็นสั่นู่ผิดไม่ได้มีแต่คนรู้ภายนอกเฉย นิสัยเจเลยเ จ, ยเจยตุเรียนไหมเรียนจบพัฒนาไหนก็เรียนจบขนาไหนก็ไปอาภัพอยู่ที่นักเลงเที่ยวกลางคืนเลยทุกวันนี้ลงอบายมุมกหมดสายต่ำหมดดินงพัดตุวทาหมดไม่มีฟื้นเลยสูงอะไรทำทำไมทาสร้างความอาภัพให้ตัวเองสูงกรงหนยังไม่มองไม่เห็นมีแต่เรื่องต่บอาภัพทั้งหมด สูก็ต้องไม่ต้องทําโทษใส่ตัวเองและหมู่เพื่อนแล้วแก่จะเกิดมาขีดกลับกี่กันก็สิ่งที่ทำดีไดที่มันมีโทษทําทั้งนั้นเลยที่เป็นโทษงดงดงดงดมันอยากทําขาอดต้องอดต้องทนไม่ทำพรอเห็นว่าทิ้งนั้นเป็นโทษจริงภายในใะไม่ใช่แต่มาจํามาเฉยๆว่าเป็นโทษเป็นโทษทั้งใจคิดได้ย้อนหน้าย้อนหลังคิดได้ด้วยมีสติีบังคับประคองตัวเองไปได้อย่างนี้ทุกข์พูดยาก ยากจริงๆถึงบอกว่ายากทำดีนี่ทำยากถ้าทำทางต่ำมันง่ายง่ายเพราะอะไรเพราะใจมันชอบว่างมันถ้ามันคิดนะถ้ามันคิดไปแก้ไขตัวเองใครก็แก่ไปทุกคนต่อมาก็แก่ไปแล้วไม่วันใดวันหนึ่งพวกเราก็จงจากกันไปเอาเนี่ยนอนไม่ได้แล้วจะม่ตายตัวจะประมาทได้ยัง ต่างคนต่างแก่ถึงไม่แก่มันก็ตายถึงเวลามันจะตด้มาละไหนนั่งกินข้าวไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ผ่านไปผ่านไปเอาอะไรที่ว่าสวยงามสมัอยอาหารมันไม่ได้สิงสวยงามบำรุงขาดขันให้เป็นไปวันหนึ่งหนึ่งก็แก่ไปวันหนึ่งหนึ่งอันเดียวเท่านั้นเองไม่มีเกินนั่นไปแล้วประมาทอะไรเพราะขันนี้มันแก่ไปทุกวันจะไปลืมนี้ลงมเต้าตั้งไหนใจเดียวที่ อย่าให้ทั้งห่างเหินจัดขับตรงนี้ทัําคัญทั้งคัญทัญ้งคันบังคับให้มันอยู่อยู่ในสินในธรรมใน ส, สินห้าเขาบังคับให้อยู่สีนห้าอย่าให้มีเล่ห์มีเหลี่ยมอย่าให้ไหวตัวไปไหนเอาให้มันเป็นคนกินขึ้นมากกินในชาตินี้เกิดมาอีกเป็นคนกินสมบัติก็เกิดจากคนกินเท่านั้นคนโลละได้แหละหรือหรอวได้แหละอะไรไม่ไไม่มีสมบัติไม่มต้องฝึกตัวนี้ให้เป็นคนกินพระพุทธเจ้าสร้างสัจจะบารมี สร้างขึ้นมาสิพระองค์สร้างมากี่กับปีกันเ ก, กิบแสนอาสงไข่สี่กําไรมารักษาสิที่อสงไข่แสนกําไรมากับนี่พระพุทธเจ้าของเราพระเสเรยเมีแต่ยี่สิบอาสงไข่เกิดกี่กับปีกันรู้หมดพระองค์จึงรู้กว้างกับใครทั้งหมดแล้วจึงนําประมวลมาสกัดออกพอดีอันนี้เป็นอย่างนี้ น, นี้เป็นอย่างนี้รู้ด้วยพยายามไม่ได้รู้แบบความคิดด้นเดาคือแน่นอน ถ้าจิตคนเราได้ถึงเอ่ยลงกระแสเท่านั้นเองหรือมีความเชื่อในโอวาทมันเองโหมันซึงดึงบอกมันคมมันคมคําสอนนักปราชญ์มั น, มมนมคน ม, นมไม่ไม่ใช่เรามาฟังกันแบบเปล่าๆไอ้ฟังเรื่องใครก็จําได้มันมเต็มไม่คมดึงน้อยมึจําได้นักโ อ, กกอตัดปากว่าตัวละหัตัวมันจำได้โออันนี้จําใครก็จําได้ทุกครั้งใครก็จําได้มันไม่ถึง นี้มันซึ้งจากความคิดอ่านค่ายควรเกิดจากสติปัญญาตามหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจากใจของตัวเองล้วนๆจริงอย่างนั้นไม่ได้ไม่ไเพียงจากความอินปรากฏในใจด้วยแ น, นื้นมันคมจิบโอ้โหทันทีเลยอะไรคมทันทีมันคมถ้าไม่คมก็ปาดอะไรไม่เข้าถ้าพูดแล้วฟันอะไรก็ไม่เข้า จะ ต, ตัดอะไรก็ไม่ขาดของคมขาดหมดมีดคมก็ขาดสถิติปัญญาเหียนกิเล็ตก็ขาดถ้าคมถ้ายังเพียงเด็กทั้งรุ่นเสร็จเหมือนจํามานั่นแหละถ้านนักเรียนทางปริญญาตั้งแต่นักกำตรีถึงเก่าไปอยู่ก็เด็กทั้งรุ่นฝันเลยไม่ได้ไม่ได้สนุนไม่ได้ไม่ได้ตีให้เป็นมีดเป็นขวานไม่ได้ตีให้ไม่ได้รักให้มันคมอะไรเลยถึงไม่เตียนสูงก็จริง ฟ้ากับกิเลสคมด้วยสติคมด้วยปัญญาจำแค่นี้ก็พอถึงได้ที่เป็นโทษไม่ทำอันนั้นแหละคนนั้นแหละผ่านไปได้อันนั้นแหละคนนั่นแหละไม่มีโทษแก่ตัวเองและผู้อื่นหรือจำมากๆก็มากแต่ทั้งรุ่นไม่รู้จริงก็ต้องทำชั่วร้อยทั้งร้อยอันนั้นแหละทำมาตัวเองและผู้อื่นให้อภับไปอภับไปผลสุดท้ายก็หมดมรรคผลนิพพาน ทางว่าพี่จําได้บางว่าที่ผ่านแต่ก็หมดไปทั้งรุ่นทั้งรุ้นเพราะมันมืดเห็นว่าอภิชาถ้าพูดแล้วอภิชามันมืดมืดนิดปิดตาจําก็สักแต่ว่าจำจริงว่าควจะมาลื้อความจํานี้ออกกวจะมาลื้อทิศทิมาที่จําออกโอ้พยายามฝึกจิตให้มันสงบลงไปได้รู้เห็นตามความเป็นจริงข้อจิตรวมจากเหตสิทิที่มันวิ่งเล็กๆทิศทิ้าทิศทิม้าทิศ้าทิ้า ถ, ถ้ามันใสสะอาดมองขึ้นพับรู้เท่า น, นั้นเองโอ้โความขยันไม่ต้องบอกเดินยังกรมเดินกี่ชั่วโมงสมชั่วโมงหกชั่วโมงไม่เหนื่อยไปหิ้วเลยถ้ายังไม่เป็นอย่างนั้นบังคับอย่างเดียวถ้าไม่บังคับมันก็ไม่เดินเดินเพิ่งเดียวมันก็จะหยุดเพราะมันมีน้ําเชื่อมไม่มีเครื่องลากลงไป พอไม่ได้น้าเชื่อมท่านนั้นเองโบอโหไม่ต้องเลบอกคท่านยิ่งบอกบอกให้ขุดน้ําให้ขุดให้ขุดน้ําขุดบ่อ น, น้ําให้ถึงน้ําถ้ายังไม่ถึงน้ําก็ขุดลําบากก็ต้องขุดเมื่อมันถึงน้ำแล้วมันออกเองค้งเลยทีเดียิ่งถึงแหล่งน้ําอันสมบูรณคุ้งเลยทีเดียว น, น, วนยยวีแต่การขุดกันนี้ต้องลําบากกว่าจะถึงน้ำํำเทียวไว้เทียวไว้เทียวไว้นอืดนเหมือนกันหมด รู้ตัวเองรู้หมดรู้ท่านรู้เรารู้จากตัวเองเท่านั้นหมดกิเลสอันเดียวกันาาามาฆะโทสะโมหะความเห็นแก่ตัวแก่ปากแก่ท้องกิเลสอันเดียวกันมื่จชำระแล้วท่านจึงไม่ค่อยยกโทษผู้มีธรรมนะให้กินมากกินน้อยท่านก็ไม่ได้ดุไม่ได้บ่าท่านไม่ว่าเห็นสภาพงมา่านกิเลสเห็นทั้งท่านทั้งเราเราบอกกันด้วยความเป็นดูสงสารไม่ดูถูกดูแคลนจึงอยู่ด้วยกัน ร, ร้อมเย็นเป็นถูกธรรมเท่านั้น มันจำไม่ดีนําไปปรับปรุงแก้ไขหล่อเลี้ยงหัวใจด้วยศีลด้วยธรรมอาภัพนะ์นับตายไปแล้วหนะึ่ชีวิตที่เกิดมาเหมือนตายหมูต า, ตายไปแล้วงไม่มีอะไรตายเกิดมาแล้วล่าเริ่มบันเทิงด้วยศีลด้วยธรรมตายไปแล้วก็ล่าเริ่มบันเทิงโอ้กลับมาเกิดอีกล่าเริ่มบันเทิงอยู่ในกิเลสใช้กิเลสมันไม่หมดไปอย่างน้อยเราได้พระสรวัณนอนอยู่โวสมบัติเจ้าจากักรพรรดินี่สู้พระสรวัณไป่ได้ ปัจจุบันถ้าพูดตามหลักของเรื่อป่าท่านพูดซึ่งรักษาชิ้นห้าขั้น ย, ยาหยาดที่ได้ได้เป็นเจ้าจากักรพรรดิแล้วเมื่อไปถึงขั้นพัจจุบันอย่างไรเป็นเจ้าจากักรพรรดิหนึ่งมบัมันน่ามันน่าทําแต่ใจมันไม่น่าทำํำมันน่ากิเลสมันบีบบังคับมันรีบห น, นักดิมาโท นี้พวกเราดีกลับไปบ้านไปเรือนก็อย่ า, าพามาันประมาทไหว้พระทุกวันทุกวันไหว้จริงจริงน ะ, ในใจจะแต่จะไหา้จะปากนะอรหังก็เป็นอรหังในใจกาบก็เป็นกาบพุทโธในใจแต่าะแต่ว่าิริยากิริยาที่เฉยมันก็ไม่พ้นไล่สาระนี่นแหละพุทโธก็พุทโธ ก, กาบจริงๆริงธรมโนก็ธรรมโมกาบจริงๆสังโฆก็สังโฆกาบจริงจริงใจด้วยวิริยาด้วยพร้อม ท่านกับพระกรรมฐานมือที่ไม่ใช่องค์ไหนท่านกาบพระแม่จาธัญมากรือมือที่เวลาท่านกาบไม่ลือไม่ได้ขอใครมีโอกาสขอถ่ายรูปท่านไว้กาบมือกาบหงามมากไม่ได้กับตะนอกตะนอกเหมือนเจ๊กกาบเจ๊กกาบมือสองขั้กับเจ๊กกาบพระกับด้วยองค์พราะด้วยองค์ห้าเฮอยท่านบอกไว้เผ่าสองหัวเอ มือสองเป็นส่เหมือนช้างห่างประมาณศอหนึ่งระหว่างแล้วกราบลงที่ตรงกลางมือหลังงามเหมือนช้างเหน็บหรืออะไรถึงบอกไว้บกไ่หมดวี่ีมีหมดหลักการกราบหลักการนั่งสมาธิหลักการเข้าสมาธิทำไมทุกหลักต่าง ไม่หลับต า, างไงเพราะมือลืมตามันก็เห็นหมวดผาไหม ด, หมดเขาให้หลับนอกก่อนสิเพราะตาในมันคิดอยู่แล้วจิตใยมันคิดอยู่แล้วเล็กๆแต่ยิ่งมือลืมตายิ่งยิ่งมองเห็นอะไรมากยิ่งเพิ่มอารมณ์ขึ้นไปท่านจึงให้หลับตาพระเจ้าท่านตัดสู้แล้วท่านวิธีเข้าสมาธิหลับเบื้องต้นต้องหลับตาตาในสว่างแล้วหลับไม่หลับไม่เกี่ยวอันนี้ตาในยังไม่โผล่ขึ้นมาเลยมืด สายตาเนาะที่มองเห็นรูป ก, กติรูปมองเห็นไปไม้เหวี่ยงแก่มองมองเห็นเขาล่องําทําเพลงเออเออมองเห็นเขาล่องให้เขเศร้าโศกไปนี่เขาตานอกตานอกท่านจึงให้หลับตาหนี้ไว้เวลาเข้าสมาธิให้ยังเหลืออยู่จุดเดียวท่า น, นึงเคยสอนว่าให้จิตอยู่กับธรรมคือคําบริกรรมอยู่อย่างนั้นไม่ต้องกําหนดอยากให้มันลงไม่ต้องกําหนดอยากให้มันรวม ไม่ต้องไปคิดหาเรื่องอะไรให้อยากได้ฤทธิ์ได้เดช ไ, ไม่ต้องพอจิตสงบลงไปมีฤทธิ์มีเดชในตัวติธาตุดั่งรวมไม่ได้ไม่มีกำลังจิตไม่เป็นกำลังจึงพยายามกลัวจิตจะเป็นกำลังได้ไม่ใช่นเลยพุทธะเอาจริงๆสักชั่วโมงเดียวอย่าให้มันเผลอนะชั่วโมงเดียวเป็นสมาธิได้เมื่อจิตอยู่กับคําบริกรรมพุทธโธอยู่นั่นนั่นแหละเป็นสมาธิไปแล้ว ห้ามกจิตมันไม่อยู่กับพุโทโธแปลว่าไม่ไม่ใช่ฝึกสมาธิจิตเล้วไหลจิตหาสาระไม่ได้อะมันมีครื่งยึดนั่งเขาเหมือนกันมันมีสาระอยู่ประจำประจำประจาอริยบทก้าวเดินพุโทโธพุธโทโธมันได้อยู่ตลอดตลอดตลอดเดินไม่ถึงสามชั่วโมงนะอาจจะจิตก็เบาเันทีอันนี้มันไม่ได้ นี่จะนั่งกับสัจจกิริยาก็ต้องว่าตัวเองนั่งสมาธิเปล่ามันไม่ได้นั่งเลยคุณเดินอยู่นั่นเอามันล้มกับท่านโกมเหมือนพระจกักรพรรดตาบอกตาบอดทั้งสองข้างเขาคานไปหนุนเป็นพระรหลานน่ะต า, าขนาดเนียนเป็นอะไรบวชไปจะไปจุมว่าท่านตาบอดว่าเป็นหลานจากักรพรรดิเป็นคนตระกูลเศรษฐีถ้าจำไม่ถึง พเน้ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงก็โกหกท่านท่านตาบอดจำตมารจําไว้นะนู่นอำนาจจีเล็ตไม่ว่าท่านมาเราไม่ไ ด, ดูถูกขอเราไปปัทวะท่านหน่อยเราไปถ่ายพระจักรวาลท่านมีตาในไปก็เลยไปเป็นอะไรกับผู้หญิงกลับมาบอกว่าคนพานณิมาจับเรานีั่นเปี้ยงผ้าจีวรออกขอจับคนพาณิจะมาจับเราเอีกอไม่จับถึงเปี่ยงออกก็เป็นคนผ่านเราไม่ไปเป็นคนพานตายดีกว่า น่านจิพัลลาตาในรู้ตาอนอกมึนก็รู้แค่ถึงเนี่ยมองไปถึงไหนแค่นั้นตาในรู้นในสามแยนนอกกระทนันรู้หมดถ้าผู้มีจักขุ่จักพุ่งอุเดปารียานซึ่งรู้ขึ้นหมาปรากฏ ร, รู้หมดหตามกําลังของสารของกําลังของวัฒนาบารมีขององค์นั้นๆเช่นพระอ น, นุชาอยู่มีแต่ถ้าจักพุ่งอุเดปารียานังอุเดปารี ในธรรมจักรท่านพูดไว้นะฮะพระเจ้ากุบาลท่านรู้ไปของพุทธผิดศีนเท่านั้นเองคนผ่านเพี้ยงตีบอลออกร้องไห้หลานคนผ่านอำนาจเดชะพระเจ้ากุบาลใหรอินนูนูนท่านดูสิอยู่ที่ไหนนนูนวางเงนมองมาเห็นที่ประเดตโอว่าท่านเจ้ากุบาลลํำบากเราต้องไปช่วยกับเพศมาเป็นบุตร มาแคบเดียวยิมิตถึงนู่นเลยเขาขอผพุทธเจ้าเพราะอำนาจดีนั่นเทวธรรมโมคเวรกฎติธรรมะจาริกลัวทำไมกลัวษ า, าทำผู้อุพเพตีแล้วทำย่มรักษาอัศจรรย์นุ่นพระินนุ่นมารับออกไปกุคลผานไปทำไมนั่นนักปราชญ์ท่านว่าเราไม่ไปกับคนผ่านย่าพากันสร้างขึ้นคนผานไม่ดี อที่ไหนไม่ดีอยู่ด้วยกันจะมาม า, มากๆแล้วยจะม า, ย, า, มายกโทษยกกรกันนะไม่เหมือนมาวัดนะ่ะมันถูกดูแคนกันนะเห็นกันนะทุกทุกยากลา บ, บากขนาดไหนจนขนาดไหนก็อย่าดูถูกดูแคนกันนะมันเป็นเรื่องกรรมของใครข้องหวันให้คิดภาพกลมเป็นอกรรมพุนาวตัตติโลโก้นิสสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมดูกันทําไมดูแคนเขาพอเขาแล้วเขาจนก็พอของเขาแล้วจะไิ่งถูกกันทําไมล่าโดยก็เป็นมาสนาของคนนั้นแล้ว ดูตัวเองสิดูหัวใจตัวเองอันนี้สําคัญมาวัดก็มาพูดแต่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องอะไรพูดตึงเป็นเรื่องาหาละไล่สาระมาวัดก็มาเอาเรื่องไร่สาระกลับไปบ้านกัเรื่องไร่สาระมันจะรวยได้ยังไง <c oughs> มันจะมั่งมีได้ยังไงพูดพูดถึงพูดแล้วสุดเรามันไม่มีสาระเลยต้องทําให้เป็นสาระสิว่าง การสองแล้วล่ะพอพี่พอเงินน้เทศพอต้องควดอิสระนู่นประมาณไปเรื่อยเท่ากันเกไปกานกันแล้วนี่นกินละนอนกว่แล้วแต่คุณยิงได้งในนี่สตี้อยู่เหรอปีนี้เอาอยู่เหรอเออตั้งกำลังประมาณตั้ 3-4 ชั่วโมงก็ดีพอแก่แล้วตั้งกำลัง มันไหนขยันอยากจะเล่นงานมันก็เล่นสิหูจะเอาหกชั่วโมงวันนี้เหมือนกันตะโยฟิกก็มันบงังเธอมาร์กัดีแต่สอนลงตัวเองนอนกอดแม่คนหญิงนะผีท่าแล้วตัวเองนอนกอดเลยที่แต่สอ น, ส น, อนมันเป็นสวัสดิ์อิมพุตินั่นอีเจ้ง ม, มันมามันมาใกล้ไหมแล้วองรู้ถึงมันอ้วนไหม ตัวนตัวตัวมนตัวตัวสียังไงโอสีนตามตัวเมียใชตัวสีน้ำตาลตัวเมียนะฮะสีเหลืองเหลืยงอ่ะเออใช่ตัวเมียนะตัวหนึ่งเป็นสีมุมมุมน่ะตัวใหญ่ตัวกู้ตัวเมียตัวกู่ ตึ้งตัวผู้เพิ่ออกมาหน่อยมันเดินขากรแขกหน่อยใช่ไหมนึกว่าในเส้งเกต็ดเห็พเห็นมันกระโดดเลยใช่ไหมดีให้มันเป็นอย่างนั้นล่ะพอดีเราเห็นตาดฝามันสดชื่นนี่กระจงหนึ่งมันเยอะจริงจริงมันออกมายกินนี่ที่ครัวนี่ก็มากินนะนึกวันนี้ล้อ่เดี่ยวมาลูกเอี้ยงตัวนี้มันปากเป็นคนเดียวมาได้ไดนี่ยวันนี้จะผ้าจะผ้าผ้า อเราเห็นมันกระเทือนใจผ้าที่ฟังมันเฉยแม่หู้เราบอกว่าไม่มันกระหนี่ทันดีในเดี่ยวอยี่ยงมันเก่งมันเห็นเดี่ยวมันเล่าก่อนเลยแล้วก็เล่ามันกระหนีเดี่ยวกลัวนกเขาเพียบสองสามตัวเนี่ยวันมืดเช้าเห็นท่านอะไรปุ่นมันพอมาถ้าบักสุกบักสุบต้องบักสุบไม่มาต้องเร็วพราะเด้เห็นมันบินปุ๊บตกเลยไล่ทันดี เราสสารสัตวท่านพี่โยเห็นเฉยแล้วก็ว่าฮึ่มทมันอยู่ด้ความเจริญมันก็ได้เฉยมันความเจริญมันมากมันก็เลยมันทักเลยเฉยจะเป็นใครเป็นอะไรมันเคยเห็นมาพอแล้วหรือมันเพราะเราเห็นนี่มันกระเทือนใจพุ๊บสันดีเพรได้ยินเสียงร้องแก้งถึงใจเอาทันดีลองรองรับสันดีเลยเนะร้องเร็วสันดีออกคนดีเดียวไอ้บ้าตัวนั่นพ่อเขาไล่่นี้แล้วจะดูเรื่องอะไรดีนุ่ยเอี้ยงตัวนั่ะ นี่ได่เห็นสมัยที่มันสินก่อนเราล่าฟังสมัยเขียดมันงูนจินเขียดพระอาจารย์วัดอรุณวัดโพธิสัมพรสมัยนั้นขเขาคือเขียดเลาะแอบฆ่าเฉยห้ามใจดำขึ้นมาพูดเลยกันเต๋อพี่นะห้ามใจดำขึ้นมามันไม่มีเมตตาหรือต้านขึนมเพราะเราได้ยินเสียงพอะ้วนันเป็นไล่ช่วยเขาที่เขาล่องช่วยเหรอจังหวาโอ้ พอยินเสียงเกลียดล่องตะวันนอนมาหลับหรอกถ้ามันกินนี่เปลวออกกันเอไล่ออกไปเไล่นีนอนไป่ได้นอนตายไปพ่อพินาไปพูดที่นี่เพราะนอนตายดิมุติยะแย่จะพุ่นถ้เป็นภากันนีส่วนมึงไปนอนอย่างพระรามึงจะได้นอนเป็นสี่สิบสี่สิบสี่กูเปลี่ยงแย่มานอนอ่างมึอพ้นแต่ว่านอนตันีิพอปกเสกปกู้าบกนีต่าเขาก บนรถมอเตอรไซค์นี่ข้ากาบูพระแม่พระวาจารพระมาแต่ก่ะกอนสมอติดท่วดูมันจัดทั้งข้อที่ท่วถึงเปากันบปิ๊บปุ๊บบปมันแล่แต่กอนมันกควนอู่นตกุ้งาลัยเนี่ยใครไปดูใครเคยดูปลาูปาที่จัเหนง้านี่มันจะัาวะเนี่ถึงเวลว่างตัวนี่เฮ้ยภาคก็ไม่ควบอหมดมองยังเดียวมองหน้ามองหลัง เวลาอยู่ป่าอยู่ป่ากูดทุกเรือง๋ออินเหรอนั่งรัดเข้าที่ไปล่องเรื่องแต่หัวขวนนกเฮ้ยลุ่นจังถ้ามันเพิ่มขึ้นลุ่นจังโอยดาเจ็บคนยังอยู่ป่าอยู่ป่าพูดอยู่ก็ไม่เคยจูบกันเลยสันเดีย่อนหนึ่งสันเดียสารม่านดีคนยังสอบอยู่ป่าอยู่ป่านึเฮ้ยขึ้นลุ่นจังยินเสียงตะตะลุ่นแต่ก่อนทำเพ่นจะเดิท่าีนถือข้องหัวขวนก็ดู เนี S <S ่ยกยยามตองแต่ถ้ำบงมางหนี่ก็อย่างที่หนิงอี๋ยกองหัวเน่าไปหมดเาไทยตะกอนเพิ่งเห็นทีไทยที่อย่างไทยเห็นวาตัวจากไทยก็จะเปิดประเจ็นปรเด็เรื่องข้าบีญก้มอายนี่หมดโอ้ยเก็บตะกอนต้องบอกไทยคนไทยคนไต้หว <rer ie> ันไทยเราไม่ก <sk> ันไทยแล้วมีมารยาทอยู่กุ้งม้อยผมไปกุญแจพูดเล่าเล่าให้ผู้ฟังว่ามันเทพคนผู้ดี ถ้าทำผิดไม่ได้อยู่ไว้ก็ได้คุณวัวมาทำแบบไม่มีข้อวัดเล่นลอย ๆ, ๆไม่ได้เลยวัดทันีเลยท่านจึงได้ทำมาสอนแบบเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่มีมีแค่นี้เอาล่ะทุกวันนี้แต่ก่อนพระจันทน์ดานนี่ดื้อคเดินหยยบเต่งเต่ง มันสูงดำสูงมากแล้วเนาะพ่อโอ้ยกลัวต้ดิบแล้วเรืองถุนพุธทธธก่อนเอาบนใหม่ก็พ่อเั็นตั้งใจศึกษาอะไรก็ให้ตั้งอัวตั้งใจอย่าเลวไหลแลวแหลกจนที่เราพูดลเลยเสียหลักตัวเองนะเราบอกเลยเอาไปคิดเลยเราลับจากนักป่าธรรมานทำมันหนึ่งยี่สิชั่วโมงไม่มีสาระ จะเท่ากับตายไปวันหนึ่งมันแก่ไปที่เราทานทึ่งแก่ไร่ทีแดกพ่อแม่เขาเลี้ยงดูมาห้องความรู้วิชาผู้ว่าการให้หมดเราไม่เอาไหนตายไปวันหนึง่งไปไหนก็เสียเปรียบตัวเองตลอดไปไหนก็เสียเปียกตัวเองไปไหนเสียเปรียบตัวเองทไไำแล้วจนบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสาสดานี่เราดิ้กฟังจากการศึกษาของโลกคนไม่คมเราบอก เราก็ฟังมาพอแล้วไม่คมเพราะ็ฟังนักป่าพูดคมจิ๊บจิบเลยเขียนกิเลนไม่ได้พูดเล่นๆเลยต้องทำให้ตัวดีด้วยนะชมว่านักป่าบัณดิตจริง ๆ, ๆพูดด <ๆๆ S 1> ีเด่นเลยเวลาน้อยนิดเดียวอีกสังคนก็ต่างจากกันไป กรรมันเกี่ยวข้ อ, ของกันมือกามาอมันเกี่ยวข้ อ, ของกันกาตังต้องอกตข้งใจว่าันมาเห็นเก่ตับแก่นนะเดี๋ยวนะมาทะเลาะบั